ศีลต่อให้รักษาได้สะอาดเป็นสิบชาติก็ต้องมีชาติที่11อที่พลาดการเดินทางไปในสังสารวัตรอย่างไรก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงนรกได้จะมาตั้งจิตอธิษฐานขอมีสัมมาทิฏฐิไปทุกภพทุกชาติไม่ได้ในการเวียนว่ายตายเกิดมีรอบขึ้นรอบลง ถ้าเป็นรอบขาขึ้นเลยก็จะเห็นได้ชัดว่าขวนขวายทำบุญขวนขวายรักษาศีลแต่ถ้าเริ่มเป็นรอบขาลงก็จะเห็นเรื่องบุญกุศลเป็นของตลกนึกอยากจะทำอะไรสนองตัญหาสนองกิเลส ต, ตัวเองก็ทำไปแบบไม่ยั้งคิดดีขนาดไหนชาติใดชาติหนึ่งก็ต้องพลาดเอาบุญเอาบารมีที่ทำไว้ไปรังแกคนอื่นบ้างไปทาธุรกิจมืดบ้าง ไปเที่ยวเตรหัวราน้ำบ้างแม้แต่มหาบุรุษเช่นพระพุทธเจ้าท่านก็เล่าวีรกรรมของพระองค์เองสมัยเมื่อครั้งยังเป็นพระโพธิสัตว์ท่องเที่ยวอยู่ในวัตตะอันเอาแน่เอานอนไม่ได้นี้ท่านเคยฆ่าน้องต่างมารดาเพื่อยแย่งสมบัติลบหลู่พระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้แล้วกล่าวตู่เพื่อนผู้ทรงศีลด้วยความริษยาเป็นโจรดักล้นคนกลางทางและอื่นๆ แม้ประชาสุดท้ายขนาดใกล้จะดับคันทปรินิพานก็ยังต้องรับผลของกรรมเหล่านั้นอยู่กลไกสำคัญที่สุดที่จะให้สังสารวัตรหมุนไปด้วยการไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษคือการเกิดใหม่แล้วลืมหมดสังสารวัตรเข้าใจร้ายลบความทรงจำเก่าทิ้งจนเกลี้ยงแล้วยัวยวนชวนให้ติดหลงด้วยเหยื่อล่อตาล่อใจใหม่ คนไม่รู้ว่าเกิดมาเพราะอะไรเคยไปทำอะไรไว้ถึงได้ดีพอได้ดีขึ้นมาตั้งแต่เกิดมันก็หลงมันก็เหลิงส่วนคนที่ตกร ก, กรรมลำบากก็จะมีแก่ใจอยากรู้ว่าทำไมชีวิตถึงเป็นแบบนี้ทำไมอาภัพอับภาควาสนานักนะพอได้ยินคำแนะนำอะไรทางศาสนาดีๆก็พยายามฝ่ายใจที่จะคิดดีทำดีพูดดี ก็ได้ขึ้นสูงใหม่และพอสูงถึงจุดหนึ่งถ้าไม่สามารถพ้นไปจากจักรวาลแห่งสังสารวัตไปได้ก็ต้องเวียนกลับมานะอันนี้คือรอบของสังสารวัตขึ้นสูงแล้วต้องตกแล้วต้องลงต่ำเสมอไม่มีทางที่จะหลุดพ้นไปได้โดยอาศัยเพียงกรรมดีจะพ้นไปจากสังสารวัตรได้อย่างไร ทางเดียวก็คือต้องเดินทางตรงตัดตรงออกจากสังสารวัตรโดยการเข้านิพพานไปเสียซึ่งเราต้องรอพระพุทธเจ้ามาอุบัติเป็นเวลานานมากๆเป็นล้านล้านชาติต้องเวียนว่ายตายเกิดไปนานมากกว่าจะกลับมาพบพระพุทธเจ้าอีกทีแล้วคนที่มีสิทธิ์พบพระพุทธเจ้าได้ก็ต้องเคยทำบุญในศาสนาพุทธไว้ก่อน ก่อนที่จะมีโอกาสทําบุญกับพุทธศาสนาก็ต้องเคยเป็นผู้ที่เชื่อในลทัทธิหรือศาสนาที่เป็นเหตุเป็นผลมีเรื่องของกรรมมีเรื่องของวิบากเป็นที่ตั้งจะต้องไต่ชั้นขึ้นมามากมายมหาศาลกว่าที่จะได้ทําบุญกับพระพุทธศาสนาเป็นชาติแรกจะวัดว่าใครมีวาสนาแค่ไหนดูกันตรงนี้เลยว่ามีความสนใจที่จะทาความเข้าใจธรรมะหรือเปล่า มีความปรารถนาที่จะได้เจริญสติปฏิบัติธรรมหรือเปล่าถ้าหากว่ามีอยู่ขอให้รู้ถือว่าคุณเป็นข้อยกเว้นมากๆแล้วคือเรามีสิทธิที่จะพ้นไปที่จะปิดอบายได้ภายในชาตินี้ถ้าเจริญสติถูกทางพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้นะครับว่าหากใครก็ตามที่ได้เจริญสติจนกระทั่งเห็นกายใจนี้ เป็นธาตุสี่ขันห้าอายตนาหกพูดง่ายๆว่าเห็นด้วยความเป็นรูปเป็นนามไม่มีตัวตนได้ไม่มีทางตายก่อนได้โสดาปฏิผลถ้าหากว่าเราเป็นผู้ที่รู้ตัวว่ามีโอกาสแล้วมีวาสนาแล้วอย่าทิ้งโอกาสไปก็เล่ากันเพราะสังสารวัติน่ากลัวจริงๆครับ